ของท่านดยูในอัปปนาสมาธิอย่างละเอียดหรือว่าเจตของท่านอยู่ในสมาธิสมาทานอย่างละเอียดหรือเจตของท่านอยู่ในฌานาที่สี่เจตอยู่ในฌานที่สี่ร <c oughs> ่างกายหายไปแล้วโชคดี ท, ที่อย่างหายไปหมดยังเหลือแต่เจต <c oughs> ตัวเดียวซึ่งสว่างสวนิ่งอยู่เท่านั้นมีแต่ตัวรู้ ความรู้ไม่ลืมมือแต่ตัวรู้ความรู้ไม่ลืมทไมจึงมีแต่ตัวรู้เพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธาตรู้ภาตรู้ของจิตัวรู้นิ่งดูเฉยไม่ใช่ความรู้ตัวรู้กับตัวตัวผูู้รู้กับตัวความรู้มันคนละอัน ตัวผู้รู้ได้แต่นิ่งรู้เฉยอยู่เท่านั้นส่วนความรู้นั้นก็คือความคิดธรรมดาธรรมดานั่นเองท่านผู้ฟังทั้งหลายทำไมในขณะที่จิตอยู่ในอัปปนาสมาธิรู้อยู่ในทานติจิตมันจึงไม่มีความรู้ เมเจอจิตไม่มีความรู้ก็เพราะเหตุว่าจิตมันไม่มีร่างกายมันทิ้งร่างกายไปเสียแล้วถ้าท่านใดทำสาำามาธิถึงขั้นนี้จะรู้เองเพราะฉะนั้นจึงมี่ํคำกล่าวว่าผู้ภาวนาพุธโธได้แต่สมมาสตจิตไม่ถึงนี้ปัจจนาสมาทานอเม อาจะยอมรับฟังฟังเอาไว้เพื่อพิจารณาก็ได้พอความเป็นพอจิตสงบนิ่งลงไปเป็นสมาธิแล้วมันก็มีทั้งสมาธามีทั้งวิปัสสนานั่นแหละเมื่อก่อนท่านยังไม่เคยมีจิตสงบนเนสมาธิท่านก็มีความสงสัยเข้องใ จ, จว่าสมาธิคืออะไรสมาธิเป็นอย่างไรท่านก็ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริง เมืท่านสามารถทำเจตให้สงบลงเป็นสมาธิด้วยภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเจตสงบนิ่งลองสูสมาธิความสงบนิ่งของจิตนั่นคือสมาธิสมาธินั่นคือสมมาทิส่วนความโลภวันนี้คือสมาธินี่คือสมมาทินี่คือความสงบจิตอันนั่นเป็นตัวปัญญาเป็นที่ปรัสนาสมาทานเพราะท่านรู้แจ้งเห็นจริงเล้าหายสงสัย ความรู้อันนี้เป็นจุดเริ่มของวิปัสสนากรร ม, มาฐานจึงหรือไม่จริงก็ขอให้ท่านพิจารณาเอาเองเมื่อก่อนท่านรู้ว่าสมาธิคืออะไรเมื่อท่านทําสมาธิได้แล้วท่านก็รู้ว่านี่คือสมาธิแล้วท่านหายสงสัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทําให้ท่านรู้แจ้งเห็นจึิงหายสงสัยสิ่งนั้นก็คือวิปัสสนาขอให้ท่านกําหนดหมายเอาอย่างนี้จึงจะไม่ขับสน และจะไม่คล่องใจเอานู่นเป็นการกล่าวถึงการภาวนาด้วยบริกรรมภาวนาพุโิโโพุโิพ์โพธิ์โพธิ์ทีนี้มีหลายหลายท่านกล่าวว่า <c oughs> บริกรรมภาวนาพโพธิ์อย่างเดียวเสียได้เพียงแค่สมาถะสมถัมถนเอออันนี้ก็ยอมรับถ้าหากว่านักภาวนาทั้งหลายจะพากันโ่กันทั้งหมดเจ็บมันก็เจ็บเพียงแ่ อิอัสสนาสมถะส ม, ถ, สมถานเท่านั้นเองพอเท่าที่ได้เยินคยบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนี้ไม่าบางครั้งท่านบอกว่าวันนี้จะบริกรรมภาวนาพโทโพโทโพูโ ท, พ, โทพอให้จึดสงบได้ตเตีได้คว า, ามสุโดยความสงบสบายเพียงนี้หน่อยก็จะพอแล้วเอาแค่นี้วันนี้ พอภาวนาพทอพอพอพทพอพอไปพอใจ็สงบลงสักหน่อยความรู้มันคงคงคงๆงคงขึ้นมามันไม่หยู่ซะแล้วคือเมื่อความใจสงบแล้วมันสดโผลความรู้ขึ้นมากอดขึ้นมาอย่างน้ําพุงยื่นสมาธิเรืเท่าไหร่มันก็ยื่นกอดคงงคงคงขึ้นมากอดจางไม่หยุดก่อนอเนื่อ ท่านตัวนั้นจะภาวนาให้จิตสงบพอสบายแต่พอสงบสบายแล้วจิตมันไม่อยู่แค่สงบสบายมันเกิดไปค้นฟ้าพิจารณาอะไรดูโน่นซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติแต่ในบางครั้งตั้งใจว่าวันนี้จะพิจารณาให้มันเกิดกติปัญญาวความรู้อย่างกว้างขวางก็ไปะยกะเอาหัวข้อธรรมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพิจารณา พอพิจารณาไปพิจารณาไปเกิดมันก็ไปสงบนิ่งอยู่เฉยเฉยมันไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นเท่าการพิจารณานี่เปนการปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาสมาธิเพราะการทช้ปฏิปัญญาค้นคิพิจารณาเป็นการเจริญวิปัสสนาต่อแม่เจริญวิปัสสนาด้วยการค้นจิดเฉยสงบลงไปแล้วมันจ็นิ่งอยู่เฉยเยมันไม่เกิดความรู้อะไรขึ้นมามันก็ยังเป็นไปได้อนี้เนประสบการณ์ ไม่มีไม่มีพูดไว้ในตำราบางทีเราบริกรรมภาวนาจะให้เกิดมันหยุดนิ่งพอยสบายพอมันหยุดมันสงบลงไปนิดหน่อยความรูมันก็เกิดท่วงๆขึ้นมาจนกำหนดตามไม่ทันเนือมันเป็นอย่างนี้ประสบการณ์อันนี้เป็นประสบการณ์ซ่งไม่มีใครเขียนไว้ในแบบตำลักตำลาแต่ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ย ถ้าหากท่านตั้งใดบริกรรมภาวนาผู้โตผู้โตพุ้โธจนจุดเกิดความคล่องตัวบางทีอาจจุดอาจจะบริกรมรมภาวนาพู้โตอยู่ไม่หยุดเมื่อท่านหัดภาวนาจนเกิดความคล่องตัวบางทีจิตก็อาจจะสงบเนสมาธิตามขั้นตอนมีทณินะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วและบางครั้ง เศษของท่านอาจจะไม่สงบลงไปถึงขนาดภาวนาสมาธิพอบริกรรมภาวนาโพธทโพธทโพธทโพธอโพธทโพธอพอจุดจะนึกโพธอเองปฏิรูปเองเกิดษของท่านหยุดในึกโธทันทีแล้วความคิดเอินบังเกิดขึ้นอตอนนี้ก็เป็นเอกจุดหนึ่งนะที่นักปฏิบัติจะต้องจะต้องพิจารณาบางคือภาวนาโพธทโพธทโพธทโพธทโพธอ ยาจิตสงบไปสูง ส, สมาธิตามขั้นตอนในพระจารณสมาธิอัปนาสมาธิจนหายเงียบจนไม่มีตนมีตัวแต่บางครั้งภาวานาพุโพิโธพุโพิโถพุโิโถโพธิโถพธิโถไปนิดหน่อยบางทีอาจจะยังไม่ถึงห้าคำหรือสิบคำเจ็ดก็มีอาการหัววักลงไปแล้วดยดภาวานาพุโิโธบางครั้งก็ไปนึ่งโดยเฉยบางครั้งก็หยดภาวานาพธิ์โถได้วความคิดความรู้มันเติปดตๆๆๆขึ้นมาจนกระน้ำโถ อันนี้ท่านอย่าไปเข้าใจว่าจิตของท่านตึงท่านเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอริยธรรมภาวนาเนี่ยเรามีได้สองแบบสําหรับผู้หัดภาวนาใหม่ๆถ้าภาวนาพโต์โพต์โพโต์ใต้จิตเตี้งโพโตให้นกเสงิมโพโตใหม่เมื่อรู้สตัวเมื่อจิตเตี้งโวโตนักเสงิมโพโต์จิตนักอาเตี้ยงโพโตนักสริมโพโต์็ไปจนกว่าจะมีความสำนึกาำนานคล่องตัว เทีนี้ถ้าโตชานาญในการบริกรรมภาวนาแล้วเรามีวิธีการจะเพิ่มปฏิบัติได้อยางนี้ในตอนแรกๆท่านอาจจะภาวนาโพธท์โธโพธิ์โธพธิ์โธพธิ์โธพธิโธพธิโธโยเอาพอพธิโธพธิ์โธไปเจ็บมันไม่ลดโพธิ์ไปนึ่งว่างหรือเฉ ย, ยๆให้กําหนดตูวความบ้างอย่าไปนึกคิดอะไรขึ้นมาเมือ่อเจ็บในความคิดขึ้นมาให้มียจตรู้ความคิดทันที เมื่อเกลื่โล่ท ach, an, ํากระ่อโล่ความซึบดเกนมันจะหยุดนึ่งมันไม่ซึ้ก็ดูความนิ่งของมันเมื่อนิ่งไขสักหน่อยหนึ่งมันจะซึ้ดของมันขึ้นมาแล้วก็ดูความซึ้ดนิ่งดูความนิ่งซึบโดูความซึบดสลับกันไปอย่างนี้เราเมื่อเจอสัมปทานยะของท่านดีขึ้นพลังซึบมันดีขึ้นตัวซึ้ดมันก็จะซึบไม่หยุดตัวตามโดูมันก็จะตามดูของมันไม่หยุดในเมา่อเป็นเช่นนั้น ความคิดก็เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติสติก็ทำหน้าที่รู้เองโดยอัตโนมัติจจตมันก็เดินไปในื่มยแห่งยิปัศนาเพราะความคิดมันย่อมมีความเกิดดับเกิดดับเกิดับตือทุกขณะจิตเมื่อเรามีอตัวจิตามรู้ความคิดตือเกิดดับตือนั้นเมื่อตัสัสมปชัญญะตัวนี้มีพลังเตล้าขึ้นจจตสามารถที่จะกำหนดรู้ความเกิดดับของความคิดในแง่แห่งเข้าไตรลักษณ์ ก็มองเห็นพระไกรลักษณ์อ น, นิจจังไม่เสี่ยงทุกขังตนทุกอ น, นัตตาไม่เสดตัวของตัวปรากฏเด่นชัดขึ้นมาเมื่อเจตู้อนิจจังทุกขังอนัตตารูปพรไตรลักษณ์เรามีสติตามรู้อยู่ทุกขณะเจตทุกลมหายใจในบางครั้งจจตอาจจะไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเกิดเจตขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความยินดีถ้าเกิดความยินดีขึ้นมาความยินดีมีแนวน้มให้เกิดการมตัญหา ลองเหนตัวกิเลสแล้วไหมล่ะบางครั้งตกความเย็นร้ายความเย็นร้ายมีแมนวน้อมให้เกิดที่ภวะตันหาลองเหนตัวกิเลสแล้วถ่ายไปยึดเอาไว้ทั้งสองอย่างก็กลายเป็นภวะ ต, ตันหาเมื่อเกิตัวกรรมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอยู่พร้อมความตกย่อมบังเกิดขึ้นในขณะที่จิตยินดีความโทกย่อบังเกิดขึ้นในขณะที่จิตมีความเย็นร้าย เมื่อเป็นเช่นนั้นตกทุกข์เกิดเส้นสลับกันไปผู้นี้จติสัมปชัญญะเศ้าดูอยู่ที่จิตตลอดเวลาเหนาที่สดจะติสัมปชัญญะมีพลังแต่กล้าขช้นก็จะเกิดยานเกิปัญญาเกิดทิ่คาวความรู้แจ้งจริงขึ้นมาว่านี้คือทุกข์อริยสัจคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อโบปฏิบัติมือปฏิกาหนดดูอารมณ์จิตของตัวเองซึ่งมีสตกมีทุกตลับกันเรื่อยไปลงคนสุดท้ายก็จะมองเห็นว่านอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับเมื่อเจ็ดละเอียดลงไปแล้วจะมองเห็นแต่อะไรอะ่ะยังเกณฑ์ิสมุทยยะทำมังสัพพันตังนิโรธาทำมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา ก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมคนเดียวกันกับท่านอญญาตนพันยะเึ่งฟังเกตทำมาจากกับประวัตนกสูตรจบลงแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมดังที่กล่าวแล้วเราพระเจ้าจึงตึงอุทานว่าอัญญาตนพันยะได้รู้แล้วหนอะอนญาตนพันยะได้รู้แล้วหนอะนี่มันจะเป็นไปอย่างนั้นเพื่อนข้อสังเกตมันมีอยู่อันหนึ่งวันนี้โปษไปเลื่อนภาวนาพุทโธกับคอแล้ว บางท่านภาวนาพโตโโพโตโโพโตโโพโตเจ็สงบดีสงบอย่างดีเลยบางคือสงบจนกระทั่งตัวหายบางคือก็ทุกข์เทินอย่างหายไปหมดอย่างเหลือแต่เจ็บดวงเดียวสว่างสว้ยอยู่เท่านั้นแต่หนั ก, นกเข้าขายหลังมาเลยเจ็บมันไม่สงบก็แล้วแต่กำหนดก็ตามไม่กำหนดก็ตาม มันก็มีอาการสงบเล็กหน่อยแต่ว่าความคลื่มันเคลืตัวไม่หยุดเพรามันอยู่อย่างนั้นอยู่ได้บางทียึ่งเคลืจ็บก็ยิ่งใจใส่ยิ่งเคลืจ็บก็ยิ่งตอดตรงยิ่งเคลืจ็บก็ยิ่งตองไส่ยิ่งเคลืก็ยิ่งเบายิ่งเคลืก็ยิ่งสบายอ้าวเจ็บที่มันเคลื่อนไม่หยุดมันจะสบายได้อย่างไรความเคลื่อที่มันเคลือยู่ไม่หยุดเอ่สติตามรูไม่ทันเป็นความปุ้งกาน ความคิดคิดโยไม่หยดุดมีื้อจตตามรู้ทันทุกขณจิตทุกลมหายใจมันกลายเป็นปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีจิตรู้ทันความคิดอัานโดยตลอดเวลาจิตไม่ยดุดก็จะมีแต่ความปล่อยวางเพราะจิตรู้แจ้งเห็นจริงมีวิภาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้อะไรขึ้นมาจึงไม่ยดเอาไว้เก็รู้จริง เนื้อแต่ปล่อยวางโลกเดียวพราะฉะนั้นเมื่อคิดเมื่อคิขึ้นมาแล้วเจ็ดนี้ก็เตะโลดพันเนื้อกัความปล่อยวางเจ็บของเรามันก็ไม่สับสนวุ่นวายยิ่งเจ็บมากมันก็ยิ่งปลอดโรงเพราะว่าความเจ็บอันนี้เจ็บเราก่อเจ้าจะเกิดสำตะปัญญาโลภล้มมันเป็นดวงเป็นองค์ปัญญาปัญญาที่เกิดจากสมาธิมันเป็นปัญญาอบรมจ็บก็เสื่อมอบรมสมาธิไง สมาธิโอปรมปัญญาปัญญาโอปลอมจิตอันนี้หละนังเต๋อท่านอารมหาบัวเขียนท่านตั้งชื่อว่าปัญญาโอปลมจิตหมายถึงความคิดที่เกิดเพราะพลังสมาธิเมื่อสมาธิดีแล้วมันสามารถบรรดาลให้เกิดความคิดความคิดที่ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้ความอยู่นั้นถึงแม้ว่ามันจะคิดตลอดเม้าย่างลงตลอดตอย่างค่ําปล่อยให้มันคิดไปเต๋อขอให้มีโติรู้ทัน ไม่เช่าความสั้นของจิตมันเกิดปัญญาแต่ถ้าหากว่าะติมันอ่อนด้วยไม่ันมันจะเกิดความสั้นขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นสติตัวนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญถ้าไมขอให้ท่านทั้งหลายตึงสังเกตอย่างนี้ไอ้ปัญหานี่มีผู้ไปถามอยู่บ่อยๆเมื่อก่อนนี้ภาวนาแล้วใจสงบดีแตเวลานี้มันมีแต่ความเพลียทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นบางผู้ก็ไปถามท่านบางท่านไม่รู้ พอถามพักทำไมจิตของท่านมันจึงเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าระวังมันจะเป็นโรคประสาทตายบางทีก็สําคัญว่าตัวเองจะเป็นโรคประสาทเข้าจริงๆก็ตามยึดอันนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่นักปฏิบัติจะตึงสังเกตเอาไว้อย่าไปติดแต่ความสงบนิ่งของจิตตัวไม่มีความคิดเพียงอย่างเดียวละเอียดปัญหาหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ว่า ให้เกิดขาดทำสมาธิให้มันได้ก่อนแล้จนค่อยจเจริญวิปัสนาสมาทานเอออันนี้ถ้าสมมติว่าใครไม่สามารถทําสมาธิท่านสมาฐานได้เนี่ยก็ไปรอจนกระทั่งเกิดน้ำสงบเป็นสมาธิท่านสมาฐานจนอัปนาสมาธิเผื่อมันทําไม่ได้ล่ะมันจะไม่ตายก่อนถือ mm. เพราะฉะนั้นจึงขอทําความเข้าใจกับท่านนักปฏิบัติทั้งหลายไว้ว่า คำว่าสมถาะาสมถ า, านก็ดีวิปัสสนาสมถ า, านก็ดีขอใท่านทั้งหลายพึงทําความเข้าใจว่าเป็นชื่อของวิธีการการบริกรรมภาวนาพธิพโตพธิโตพธิโตโดยการบริกรรมภาวนาอย่างองื่นด้วยการปฏิบัติ ด, ด้วยการเพ่งกสินอันนั้นปฏิบัติตามวิธีของสมถะแต่ถ้าเราปฏิบัติ ด, ด้วยการใช้ความคิดหรือกําหนดจิตโล่ตามความคิดของตัวเอง เราจะหาเรื่องราวอันใดเช่นเรื่องของขาดพันอาจตะนำมาพิจารณาจนพิจารณาว่าโรคเจตนาขัญญาตั้งขันยินญันไม่เที่ยงจนทุกข์เป็นนัตตาอะไรทํานองนี้อันนี้การพิจารณาน้อนจิตนอนใจนอมปุ่มความรู้องเข้าไปสู่กฎแห่งข้าใหญ่รัตอ น, นิจังทุกข์ขันยัตตาท่านเลือกว่าปฏิบัติตามวิธีการแห่งริปัจนาแต่ทั้งสองอย่างนี้ เราจะปฏิบัติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ถ้าท่านที่บริกรรมภาวนาจิตมันไม่เคยสงบเป็นสมาธิสักทีก็ไปรอให้มันสงบมันไม่เคยสงบสักทีก็มาพิจารณาที่ยกเรื่องอะไรขึ้นมาพิจารณาก็ได้ส่งมันเกี่ยวกับเรื่องธรรมะพิจารณาไปจนกระทั่งเจิตมันติดความคล่องตัวพิจารณาอนิจจ์ทุกครั้งอนัตตาอันนั่นก็ในเกี่ยรติอ น, นี้ก็เป็นทุกข์อนั้นก็เป็นอนัตตา เคล็ดเอาตามสติปัญญาที่เราแต่เคลดได้เดือดย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเพื่อกันกระทั่งมันคล่องตัวจนกระทั่งเราไม่ได้ตั้งใจเคลดเกือดมันทคลดของมันเองซึ่งมันอาจจะเอาเรื่องเอื่นม่เคลดโจไม่เดืดก็ได้เมือเป็นอย่านั้นมันก็เข้าลักษณะเหมือนการตัดตอริษรมภาวนาะหากเดือดมันเคลดของมันเองสติรู้ซ้อมดูเองมันก็ได้ที่ตกที่การ เมา่อเจตนี้ที่ตกยการเพระความคิดอ่านอันนี้มันก็เกิดมีอตื้ตื้อความตกมืเอกตะคตามันจะสงบลงไปจนอิปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิหรือบางทีมันอาจจะไม่สงบถึงอัปปนาสมาธิพอถึงอิตาจาระสมาธิมือที่ตกยึดการตื้อตื้อกเอกตะคตามันก็จะทำหน้าที่พิจารณาวิปัจนาของมันอยู่ตลอดวันยั่งคําตลอดเย็นยั่งรุกเพราะฉะนั้นอย่าไปติ้วิธีการ ถ้าใครไม่เหมาะกับการบริกรรมภาวนาก็อย่าก็ไม่ต้องไปบริกรรมภาวนาถ้าจิตของท่านผู้ใดเป็เหมาะสม ก, กับการกําหนดโลจิตเฉยอยู่โดยไม่ต้องนึกคิดอะไรเป็นตะเพียงตั้งหน้าตั้งตาคอยต้องดูความคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแค่นั้นอะไรเกิดขึ้นโลอะไรเกิดขึ้นโลโลโลโลเอาตัวโลอย่างเดียวหรือบางทีบางท่านอาจจะใช้ความคิดโตไม่หกด หรือบางท่านอาจจะเคยขดสมาธิโดยวิธีการทำปฏิตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับพานเดินทำปุดเพียทุ ก, กนาจิตทุกลมหายใจก็สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัติเพื่อความรู้จยิ่นจริงกันจริงๆแล้วอย่าไปฝึกวิธีการให้กำหนดหมายว่าสมรมะก็ดีที่ปัชนาก็ดีจนวิธีการปฏิบัติ ถ้าบริกรรมภาวนาหรือเพ่งตื่นเป็นวิธีปฏิบัติตามวิธีของสมถะถ้าปฏิบัติตามแบบที่ให้ความคิดพี่เจรนาเรื่อยไปหรือกําหนดทำติตามรู้คามคิดเรื่อยไปเป็นการปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาสมาธิทั้งสองอย่างเพื่อมุ่งประสงค์ให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิประกอบด้วยอมโธวิโตผู้การตี่ิสุขเอตคาตาด้วยกันเหมือนกัน เราจะนั uyorum, ่นอย่าไปสงสัยข้องใจใครถนัดในทางไหนปฏิบัติลงไปแโดยเฉพาะอย่างหนึ่งนี่คือการปฏิบัติมันมีหลายแบบหลายอย่างจะไปจิตที่ปฏิบัติยกนอคข้องนอก็ปฏิบัติแบบสมาธิสมาหลังกับแบบสมาธิหรือการใช้พิจารณาอะไรต่างๆก็เพื่อสมาธิเพื่อความสงบจุตนั่นเองเมื่อจิดไม่มีความสงบสมาธิก็ไม่มีสมาธิไม่มีฌานไม่มี เราเนี่ยไม่มีฌานก็ไม่มีญาณไม่มีญาณก็ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิชาเนื้อกดธรรมชาติมันเต็มอยู่อย่างนี้จราเออย่างหนึ่งเราไปเทศฟังเทศกันที่ไหนที่ไหนก็ได้เย็นละท่านเทศว่าย้อมพากันละโลกโกรธหลงให้มาปากน้อยบางคืออาจะมามาพิจารณาดูแล้ว กิเลสรอบโปรดลงเนี่ยมันเป็นคู่ของใจมาตั้งแต่หลายทบหลายขาดแล้วจะได้มาพิจารณาดูกันให้ซึ้งเอาความดูสุกรอบโกรดหลงเนี่ยเราจะละไม่ได้เอาใครไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูเอาเองหนึ่งมารอบโปรดเกิดขึ้นมาแล้วเราละไม่ได้หลงเกิดมาแล้วเราละไม่ได้โลอะโปรดเกิดขึ้นมาเราละไม่ได้มันจะต้องไปจนสุดช่วงมัน ทางนั้นเราจะทำอย่างไรเิื่ปฏิบัติก็คือว่าโลกโรดหลงมันเป็นสิเลที่คอยกระตุน้นเตืนจิตใจของเราให้เกิดในความกระรือรื่องในความทาาะเยอทะยานข้าพเจ้าเราสงท่านมาประชุมมาตรวจข้อสอบนักธรรมก็เพรจะมาตัดสินว่า ท, ที่ความโรคของตัวมีความโลกเคย อ, อยากได้นะกันตรีเรียนเพอเป็นเพตายแล้วก็มาสอบ เพราะความโลภความอยากได้นั้นมากระตุ้นเพราะฉะนั้นโลภโปรดหลงนี่เราเอาไว้สําหรับกระตุน้นเตือนจิตใจให้มีความท่เดชทยานให้มีความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเติมโลภโปรดหลงเปรียบเหมือนไฟไฟว่ามมืคอคนมืโทษมหันมีอคนก็อนันต์ใครใช้ไฟไม่เติมก็ไปเผาบ้านเผาเรือนให้ว่ากลายจนหมดผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีปัญญาดี เอาใจสร้างเป็นพลังงานเพาะขึ้นไปลงดวงกันก็เลยนี่เพราะฉะนั้นกิเกลสรอดโสดหลงนี่ก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่มีทั้งคนมีทั้งโท ถ, ถ้าเราใช้ไม่เต็มมันก็เกิดโทษแต่ใช้เต็มมันก็เกิดคนเอาไว้เป็นต้นกระต้นเตือนจิตใจให้มีความเจริญ ย, ยานในทางดีเพราะฉะนั้นก็รอดโสดหลงมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากระต้นเตือนจิจตใจของเราให้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเต้น เราพอใจเจ้าจึิงมันอยากศีลฆ่าเอาไว้สําหรับเป็นขอบเขดของการให้เกิดให้เกิดกิจถ้ามันโลดจัดไม่สิงศีลข้อตานาธิบัติเราจะไม่ฆ่าไม่ดา่าไม่ตีมันก็ขึ้นเรื่องถ้ามันโลดจัดม่สิงศีลข้อเทนนาทานเราไม่ลักไม่ขโมยไม่ข้อไม่กีมันก็ขึ้นเรื่องถ้ามันโลเลยไมู่้จักประมันในเรื่องของโลเกลี่ใส ก่อนเน็ตเซนเซนข้อกาเลสุนิษาจารย์ถ้ามันเน็อยากจะไปหกพ่อปลอมไครหลอกเพืงไกรเน็ตเซนเซข้อมืสาวาดถ้ามันมัวเมาในสิยงใดจนเตินไปมันจะทําให้เสียผู้เสียคนส่วนจะได้นเส็ตเนเซนข้อสุราเซนห้าข้อนี้เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ท่านสุดใดมีกิเลสลอกโกรหลงแต่ใช้ลงไปไม่ให้มันจุดเซนห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งส่วนใช้เถิเถอดพระพุทธเจ้าท่านไมู่กแน่ เอาละวันนี้ได้แสดงธรรมะเป็นเรื่องอบรมจิตเกีก่ยวกัจิตภาวนาโดวยวิธีการภาวนาพโตโโพโต๊โพโต๊เมื่อทันได้ภาวนาพโพโธ๊จุดจอดจออยู่กับพโตโธนี้อสติสัมปชัญญะโรู้ความอยู่กับโพโท๊ผ่านจุดกับพโพโธให้อยู่แต่ให้แน็ดเฉลีกันจนได้วิสุทธิการเกิดตีติสุขเอกัตคตาผ่านทานที่หนึ่งที่สองสามตีตามลำดับ แล้วถ่ายหลังมาเมื่อทําจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิท่านอัปนาบ่อยๆเข้าเมื่อจิตของท่านจะไม่เกิดความรู้อะไรในขณะที่มันเกิดความสงบก็ตา ม, ามให้เป็นสังเกตเมืเ่อจิตออกจากอัปนาสมาธิมาแล้วรู้สึกว่ามีกายปรากฏ ข, ขึ้นเมื่ อ, อไรความเพียรจอมเกิดขึ้นท่านจะเพ่งดวนออกจากที่นั่งสมาธิให้กําหนดจิตตามรู้ความเพียรนั้นไปจนกระทั่งจิตนั้นเกิดความสงบขึ้นมาอีกทีอหนึ่ง แล้วจึงค่อยออกจากที่นั่งสมาธิถ้าหากว่าท่านมีจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วพอหยุดก็พลิกสลามออกจากที่นั่งสมาธิโดยไม่ทะลอเวลาอยู่ก่อนก็อาศัยความจินดีในการได้สมาธินั้นแล้วไม่กําหนดปฏิบ ต, ตามรู้อารมณ์จิตเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วจิตท่านก็จะไม่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้ง่ายถ้าหากว่าจิตออกจากสมาธิมีความเสียพัด ทากสติตามรู้ไปก่อนอย่าเพิ่งออกจากที่นั่งสมาธิทำเรานี้จะเป็นวิธียกจิตขึ้สู่ภูมแห่งที่ปรินากรมฐานใน道教ธรร ม, ม, รมะปัญญาก็เป็นสติเตือนใจของบรรดาท่านสู่ฟังสถึงใดพอที่จะเป็นประโยชน์แต่การปฏิบัติก็ขอให้น้อม น, นําไปเป็นหลักปฏิบัติอันใดที่ไม่เป็นสาระเป็นชานก็ละทิ้งไปในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคนพระพุทธเจ้าดำไปทรงด้วยบุญบายาบารมีที่ท่านทั้งหลายที่บําเพ็ญมา จงดลบันดาลดวงจิตของท่านให้เดินเข้าสู่ทางแห่งอริยมรรตได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอนพระธรรมเทศนาที่ท่านระฟังกับหลวงพลาวนั้นได้บันทึกไว้เมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2529ณวัดธรรมมงคลกรุงเทพ